ออกจากใจของสัตว์โลกทท้งนั้นไม่มีอย่างอื่นผิดกับเรื่องที่เหลือคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งส่วนมากขนจะทุกข์ให้จิดใจโลกแบบหอบหาบหามจนไปไม่ไหวตุมไปด้วยกัน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 เพราะสัตว์โลกอยู่ด้วยความอาศัยไม่มีสิ่งอาศัยอยู่ไม่ได้เราหามาเพื่อเป็นเครื่องมันเ่าท่านก็ไม่เรียกว่าโลกไม่เป็นเพราะไม่เป็นสิ่งน่าเกลียดแต่ถ้าออกหน้าออกตาเป็นคนอื่นก็ดูไม่ได้เพราะั้นท่านเรียกว่าโลกว่าโกรกว่าหลง ที่ทาท่านตาหนิเป็นตาหนิตรงนี้ที่เรียกว่ากิเลสมันก็เป็นตรงนี้ธรรมดาแล้วไม่เรียกเราโลกมีความจำเป็นต้องอาศัยความต้องการด้วยเหตุด้วยผลอายายารักษาคนเราเหมือนไม่ไม่เหมือนสัตว์ต้องมีบ้านเพื่อที่อยูอย่บางอย่างก็เหมือนเหมือนบรรดาตัด ทิ้งอาหารสัตว์ก็เป็นอยู่ด้วยอาหารมนุษย์ก็เป็นเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีผ้านุ่งผ้าหม่มเครื่องอาศัยต่างๆามากมายกายกรองตามความจําเป็นของมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์การสอบสนองหามาด้วยอาการอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความโกรธความหลงถือเป็นธรรมดาของโลก ท, ทั่วไปแต่ท่านเลยขอบเขตจนออกหน้าออกตาจนลืมเนื้อลืมตัว ลืมมองดูเขาดูเราเห็นว่าตัวเยี่ยมก่อนโลกจะทั้งหมดเลยเห็นว่าโลกเป็นเหมือนหมูสัตว์ไปตพอาแสดงหาความสุขเพื่อตัวเองบนความทุกข์ของโลกอย่างนี้เป็นผิงที่น่าเกลียดท่านจึงเรียกว่าความโลกเป็นของไม่ดีไม่ดีด้วยเหตุนี้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 เป็นแตเพ่ความราบเพื่นหลีงามถ้าหม่อมเสมอและกระทบกระเทือนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความสุขในครอบครัวเป็นความสุขในรายของบุคคลบุคคลเป็นรายรายไปเงื่อนแน่ตั้งแต่เป็นเครื่องนําทุกออกจากหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นภูมิมุ่งหน้าจะปฏิบัติอัตธรรมเพื่อจะขนทุกซึ่งมีอยู่แล้วพานาจิตใ จ, จออกโดยลําดับนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง เป็นอีกชนิดหนึ่งแห่งธรรมที่จะเป็นเครื่องนําออกด้วยความรู้สึกอย่างนี้หรือด้วยเจตนาอย่างนี้เช่นหลังกันสอนพระที่บวชแล้วมุ่งหน้าต่อการกระพรึปฏิบัติเพื่อลืมถอนอีเลสออกจากใจให้พ้นประเสียโดยถ่ยเดียวแล้วการสอนก็กนขีดงวดกวดขันทุกด้านไม่ว่าหลักพระวิ น, นัยไม่ว่าหลักธรรม มีความเฉลียวดกวดทันเป็นพิเศษเพราะผู้นี้ตั้งตั้งหน้าจะไปจริงๆไม่มีอะไรเป็นสิ่งห่วงใยแล้วมีแต่ตั้งหน้าเดินอย่างไรจะเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นไม่ติดอุปสรรคาขัดข้องในระหว่างทางจะดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเพราะฉะนั้นการสอนธรรมให้แก่นักบวชและคณะนี้จึงมีความผิดกันแน่ใจว่าเป็นมาตั้งแต่ครั้งทุทธกาล ท่านยสอนอนุบุพิกถาคือแสดงทรไปโดยลำดับตามพื้นเพของจิตใจที่มารับการอบอรมศึกษาจากท่านแล้วสอนทำอย่างเด็ดเดียวเข้มงวดกวดขันแก่นัก บ, บวชหรือผู้ที่ควรที่จะรับธรรมประเภทนั้นหรือประเภทนั้นได้แล้วยินงต้องสอนแบบเดียวกันกับพระ เราจะเห็นหน้าที่ท่านสอนพระนับตั้งแต่ขณะบวชสอนเลยว่าลุกขมูเ ล, ล่เนสนาขนังเป็นต้นนะต่างไ ม, ม่ได้ไม่ได้ชี้บอกว่านั้นหอปราสาทนั้นร า, ามชมณฑลเทือนนั้นตึกนั้นมีหารนั้นกุฏิสวยงามหูหราท่านไม่ได้ว่าที่ไหนที่จะเป็นที่ทําลายกิเลสลงได้สถานที่นั่นเป็นที่เหมาะสมสําหรับพระเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้อง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 ออกอย่างนั้นก็ตามชายป่าใชายเขาตามถ้ำตามอะไรทั้งก็ว่าไปซึ่งล้วนแล้วจนแต่สถานที่มีลักษณะคล้ายคึงกันม่ให้ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นมีความประมาทในสถานที่อยู่นี่นี่หมายถึงสถานที่สําหรับผู้เช่นนั้นสําหรับผู้มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นจะพึ่งให้สมความมุ่งมา่นปารถนาของตนโดยไม่มีอุปสรรคอะไรมากีดขวาง ที่เหลือคือความประมาทนอนใจความขี้เกียจขี้ข้านก็เข้าแทรกไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นเครื่องปลุกสติปัญญาศรัทธาความเปลียนอยู่ตลอดเวลานี่เหลือก็มีทางที่จะหมอลงไปได้ไม่ใช่มีทางจะกําเริบโดยถ่ายเดียวเพราะที่เหลืาก็ไม่ตั้งท่าจะกําเนิบโดยถ่ายเดียวถ้ามีเครื่องปรับกรารเหมือนกับโรก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งหน้ากําเริดให้คนตายโดยถ่ายเดียวถ้ามียาเป็นเครื่องทักษาประกอบมันเท่าหรือหายไปได้นี่ ออกจากนั้นกับปินญาโลปโพชะนางนิสายประพระชาอีกเลยมันมาชาวสมบูรแล้วอาศัยให้อาศัยกําลังปีแข่งของตนคือเที่วบินถ้าตาดขอทานสมักินอย่างนี้เป็นประจำเป็นตลอดชีวิตขะให้เธอทั้งหลายจึงทําความมุสาอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนะอันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนอุเรกราบที่เหลือเฟือทั้งขว่าป้ายเห็นมิมันตนังสลากพะพัดตังอุเดสะพัดตังนี้เป็น ต, นต้นทั้งหลายก็พลาดกินข้อนบนุสันทินนที่นี่น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 บ อ, อกอยู่นั่นก่อยยุดยาก็ฉันจะดองเลยน้ำมูดแต่ก่อนหยุดยาไม่เจริญยขอยังขี้เพไปแล้วการดูของพระผู้รับพระโอวาสจากพระองค์ท่านด้วยความเทิดทูนํำไปปฏิบัติท่านจะปฏิบัติตนของท่านอย่างไร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 หากได้ถูกขัดเกลารอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วก็จะต้องมีความสว่างสบายขึ้นมาเพราะได้รับการบำรุงพิเรศที่เคยกำเริบเถิกชานมาโดยลำดับลำ น, นาตั้งแต่ยังไม่มีสติเส ต, ตังที่จะหาอุบายแก้ไขเพราะนั้นก็ค่อยสงบในสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปโดยลำดับสติปัญญาก็มีทางแก้กล้าสามารถขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วก็ขัดเกรารจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยมูลทินคือพิเลสทั้งหลายครอบครุมอยู่ ไห้ค่อยหายไปจางไปจางไปใจที่ไม่เคยสงบมาตั้งแต่วันเกิดพูดอย่างนี้เพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมใจจะสงบได้ยังไงไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาใจจะสงบได้ยังไง <c oughs> ปกติจะให้ใจสงบเอาเลยโดยไม่มีเุมีผลนี่เป็นไปไม่ได้ <c oughs> เพราะกิเลสเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นจะทํากิจใจให้สงบไม่ได้เรื่องกิเลสต้องเป็นตรื่องทำกิจใจให้ฟุ้งแล้วก็อทุกเป็นพืนเรื่องไปซึ่งปัญญาจิตใจตลอดมา <c oughs> หาความสงบไม่ได้ด้วยหน้าของกิเลส เมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยบําเพ็ญธรรมจะได้ความสงบยินใจมาจากไหนแต่เมื่อได้รับพระว่าจากพระพุทธเจ้าทรงประทานให้แล้วนําไ ป, ปพูดปฏิบัติจิตใจที่เคยฟุ้งเฟ้อเหื่มาเป็นเวลานานก็ว่าเห็นมีปัญหาอะไรต้องสงบตัวลงได้ในวันนห น, นี่เมื่อจิตใจสงบตัวลงก็เห็นความแปลกประหลาดความตรจันซึ่งไม่เคยเห็นมาในที่ไไหน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 เพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมมีกำลังมากสิ่งเหล่านี้ทึ่เป็นผาเป็นหนามหรือเป็นอุปสรรคความจิตขวางทางเดินมันก็ค่อยหายไปหายไปจ า, างไปจางไปก็มีแต่เข็มคิดทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่หมุนอยู่ภายในจิตใจความสงบไม่เคยมีก็มีขึ้นมานความสงบปเป็นชั้นชั้นไม่เคยมีก็มีขึ้นมาเป็นขึ้นมา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 ปัญญาความฉลาดแหลมคมก็ไม่เคยคิดแม้จะคิดในทางอื่นก็เป็เรื่องปัญญาทางโลกกระเสียไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสเพื่อเห็นความแปลกประหลาดอาศัศจรรย์ภายในจิตใจเพราะอํานาจแห่งปัญญานี้เป็นเครื่องถอดถอนสิ่งที่ไม่สิ่งที่โลกุณลังนั้นออกไปก็ได้ปรากฏขึ้นมาที่ใจนี่เมื่อปัญญา ถ้ปตากรดขึ้นมากน้อยดวงกิเลสค่อยหลุดรอยไปด้วหน้าของปัญญาก็เห็นได้ชัดตากรดได้ชัด น, นี่ก็เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาอีกเช่นเดียวกันเพิ่มกําลังทุกด้านเข้ามาอีกเช่นเดียวกันที่จะมีความขายันหมั่นเพียรต่อการพิจิตริจนาต่อการค้นคว้าต่อการรื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของคนให้ค่อยหมดสิ้นไปโดยลำหลนักกาหนักที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ อันเป็นส่วนผลนั่นดวนแล้วต้องจัดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ให้บรรดาท่านปุ้ปฏิบัติทั้งหลายได้มีความขยิมต่ออัตตธรรมคือแดนแห่งความพ้นทุกข์ไปโดยลําดับสิ่งที่เคยผ่านมามีความยากความลําบากแค่ไหนและสิ่งที่เคยคาดไว้กลัวจะลําบากลำบนเพียงไรในอนาคตกางกัมันก็หมดความหมายไปในทันทีทันใดและหมดไปโดยลําดับลําดับเมื่อทําดังที่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 นอกไปจากร่างกายของเราไม่ในอยู่ในต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่อยู่กับสัตวหรือบุคคลผู้ใดตัวใดหลักใหญ่ริงกิอยู่กับหัวใจของเราข้าสึกอยู่ที่ตรงนี้ความมืดมวลอุตหภูมน อ, นอยู่ที่ตรงนี้ที่ทําให้เราโดนขวากโดนน้ำไม่หยุดไม่ถอยให้นับความทุกข์ควารอนอยู่ตลอดมานั้นเพราะความโ ง, งุ่เขาบาปัญญาด้วยอำนาจของกิเลสที่มันปกคลุมความสว่างคือจิตใจหรือดวงปัญญาของเรานี้ไว้เท่านั้นเราจรึงได้โดนทุกข์ทั้งหมด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 ตั้งแต่วันเกิดก็เป็นเอาทุกเป็นเรือนนอนมาแล้วเอาทุกเป็นเครื่องทรมานแบบท่านดานมาตลอดแต่เราจะไม่เห็นโทษแห่งความทุกมีแต่กลัวทุกอยู่เรื่อยๆกลัวหาทางออกไม่ได้โดยไม่หาทางกลัวไม่หาทางออกก็มีเยอะนี่ทีนี้ปัญญาที่เราพิจารณาทางด้านอรรธรรมนี้เป็นปัญญาที่หาทางออกจากทุกเป็นปัญญาที่จะรู้เท่าเรื่องของทุกตามตามความพิมพ์ของมันเป็นปัญญาที่จะรู้เท่าธาตุเท่าขันที่มีอยู่ภายในตัวของเรา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 เรื่องเกิดเรื่องตายก็เป็นเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสติปัญญาที่จะถอดถอนนึกที่จะรู้เท่านี้ก็ผิดตัวขึ้นมาโดยลําดับลํำดับสุดท้ายก็ต่างอันต่างจริงเนี่ยตายก็ตายไปเราทราบแล้วขายคือญาณได้อย่างทราบหมดแล้วในเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ซึ่งเป็นมาตั้งแต่มันเกิดเราได้ทราบชัดแล้วในวันนี้ในบัด น, นี้คือมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นใดาการทราบเรื่องทุกข์ทั้งหลายก็ทราบ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 ไม่ต้องมาวกมาเวียนให้เสียเวล่ำเวลาให้เป็นสอนุธรรมเทศนาสนั่งเป็นต้นให้ไปอยู่ที่นู่นที่นู่นที่นู่นที่เลชมันมันไม่ชอบแต่ธรรมะชอบที่นังนนั่นแลเป็นสถานที่ปราบปรามที่เดชทั้งหลายได้ความขัดข้องขัดเคิรนความอดอยากอยากซึ่งโลกทั้งหลายไม่ต้องการกิ่เดชไม่ต้องการสถานที่นั้นแลเป็นสถานที่ทำต้องการเป็นสถานที่ทำเจริญ จเจริญในที่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็จเจริญในที่เช่นนั้นเป็นพระพุทธเจ้าด้วยในสถานที่เช่นนั้นสาวกทั้งหลายก็จเจริญได้ในที่เช่นนั้นพ้นทุกข์ได้ในที่เช่นนั้นการสอนทำแก่ผู้เด็ดดเียวอาถารที่จะมุ่งความพ้นทุกข์โดยเดียวจึงสอนให้ไปสู่ในสถานที่เชนั้นให้บำเพ็ญเช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อความหยุดพ้นได้โดยรวดเด็วไม่ต้องเสียเวล า, าลานมาเกิดมาตายไม้เอาป่าชาตินันทินีอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเจริเป็นเจ้าของอยู่ทั่วโลกทั่วดินแดนมาก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 คือเป็นความดีที่จะสนับสนุนบำรุงส่งเสริมจิตใจให้เลื่อนฐานะขึ้นไปได้โดยลําดับ ๆ, ๆแม้สอนบุคคลคนเดียวกันเบื้องต้นก็สอนมาตั้งแต่พื้นๆแล้วค่อยเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเช่นเดียวกับเราสอนเด็กชั้นมูลชั้นปถมแล้วก็มัธยมไปอยญาลื้อไปเลยเนี่ยในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละแต่สอนต่างวารรคกันตามความสามารถของเด็กที่จะรับความรู้วิชาได้ในขนั้นนั้นๆครัวจาย์ก็สอนเลื่อนชั้นขึ้นไปโดยลๆๆําดับําดับจนกระทั่ง สุดความสามารถของเด็กของครูที่จะสอนกันนี่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านก็นสอนอย่างนั้นสอนบุคคลคนเดียวนั่นแหละสอนธรรมะพื้นๆต่อไปก็เลื่อนในบุคคลคนนั้นอีกเชนอนุปปิกถาห้าอย่างนี้ทางศีลเนคพระสวรรค์เนี่คพระมาเรื่อยเรื่อยๆในบุคคลคนเดียวก็ได้ในบุคคลหลายจําพวกก็ได้นะแล้วฟังก็ได้รับประโยชน์ไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงอาทิหนวถาแล้วยก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 ต่อพืชตัวดีนี่ชื่อว่านําทุกออกจากค อ, อกคัวนั้นๆโดยลําดับจนกระทั่งถึงนําทุกออกจากผู้บําเพ็ญทั้งหลายอย่างเราๆท่านๆตามความสามารถของตนที่จะเหยียบหยิ บ, ย, บยกทุกออกได้ด้วยอานาจของสติปัญญาใดในความสามารถของตนก็พยายามหยิบเหลี่งขวัญขวายทําเสียตั้งแต่บัดนี้คําว่าไปสู่โลกหน้า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 นั้นมันไม่แน่เราจึงไม่ควขาดกวาหมายเพราะคําว่าทุกนี้มันประกาศกลางวานอยู่ภายในตัวของเราซึ่งเป็นโลกนี้ขันนี้เราคนนี้ไม่ประกาศอยู่ในสถานที่ใดการพิจารณาทางสติปัญญาจึงควรจะพิจารณาขุดค้นลงในจุดที่สัจธรรมอยู่นี้เพื่อเห็นตามความเป็นจริงของมันเราลื้อถอนกันออกได้โดยลำดับจนกระทั่งเป็นใครเป็นเัาต่างอันต่างจรินนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดและทราบได้อย่างชัดเจน ในหลักธรรมธนวัฒน์สันทิถิโก ร, รู้เองเห็นเองประจันบังเวดิกับโบวินอยู่ผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จาพราะตนเพราะสิ่งที่จะให้ควรรู้ควรเห็นมันมีอยู่กับเรานี่ด้ดโดยสมบูรณ์อยู่แล้วนอกจากสติปัญญาจะยังไม่สมบูรณ์จึงเห็นเป็นรุ่มรุ่มบดบดไม่แจ่มแจ้งตามความจริงที่มีอยู่เท่านั้นถ้าสติปัญญามีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วความจริงทั้งหลายนี้จะปราประกาศกังวานขึ้นกับปัญญาทั้งหมดหายสงสัยในโลกทั้งสาม เพราะปัญญาเป็นเครื่องประกาศรู้ตัวภายในของจิตเองนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนมากท่านติณฑสอนว่าอัจเชวะกิจจะมาตับตังควรทำความภาคเพียรเป็นประโยชน์แก่ตนเสียในวันนี้โกชัญญามานังสุเวใครจะทราบว่าความตายจะมีมาในเวลาใด มหิโนโสนร้างเมรันเตนนะมหาเสนีย์มตินาเรื่องความตานี้่เป็นเสนาอันใหญ่โตมากไม่มีใครจะรัดข้านต้านทานได้น่ะท่านว่าอะไรงนั้นเป็นความจริงยุนล้วนใครเป็นคนที่สามารถต้านทานความตายได้ในโลกนี้ไม่มีปา่าช้าเหมือนโลกเขามีไหมไม่มีชื่อว่ารูปว่ากาว่าหญิง ม, มชายแล้วเป็นกองปา่าช้าทั้งนั้นออไม่ใช่กองอำนาจแต่เป็นกองป่าช้าไม่มีความอำนาจที่จะ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 ดื่มคว่าพอพอใจอยู่เป็นตุกอยู่นั่งกระสุขอิ่มตัวอิ่มใจไม่มีความหิวโหยกับอะไรทั้งสิ้นเนยหมดความหิวโหยท่านวนิจชาโตไปนิจบุโตเป็นผู้ดับรอบหมดแล้วบรรดาที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่รอบใจปรินี้ผ่านเนี่ยคือหมายคำว่าดับรอบหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนิจชาโตไปนิจบุโตความหิวโหอยอะไรทั้งหมด จึงเกิดพ่อหน้าของกิเลสมากน้อยสิ้นไปโดยสิ้นเถิงไม่มีอะไรเหลือเลยนิชชาโตกพียงนิบุตรดับไปหมดขึ้นชื่อว่าความหิวนี่เมื่อความหิวความก็หายซึ่งเป็นสิ่งรับควรทั้งส่วนร่งางกายทั้งส่วนจิตใจมันดักไปแล้วเฉพาะอย่างยิ่งคือทา ง, งจิตใจนับไปแล้วความทุกข์จะมีมาจากที่ไหนไม่มีโลกไหนก็ไม่มีทุกข์ธาตุภาณจิตไม่มีทุกข์แล้วไม่มีโลกไหนจะเป็นทุกข์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 วนเนี้จะทำทั้งนั้นปึนเครื่องหือถอนหือถอนมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่คาราวาสเยื่วเรือนมาถึงนักบวชนักปฏิบัติกำจัดมาโดยลำดับลาดับจนกระทั่งถึงการดับทนิดฉาโตไปนี้นบุโตองที่กล่าวมาจิงขอวิติธรรมเพียงเท่านี้